แล้วต่อไปดูหน้าสิบสามวิพัฒน์ที่สองหน้าสิบสามหัวข้อทุติยาวิพัตยันตปทะบทที่มีทุติยาวิพัฒน์อยู่สุดท้ายทุติยาวิพัตน์ใช้ในอาจ่าอย่างห้าอย่างใหญ่นะแล้วก็มีอย่างย่อยอีกหนึ่งกรรมมัทธะอัตกรรมกรรมัทธะอัตกรร ม, มอัต ก, กรรมนี้ก็มีหลายประเภทกรรม ข้อกออิจฉิตกรรมะกรรมอันน่าปรารถนาแปลว่าซึ่งขออนิจฉิตกรรมะกรรมอันไม่น่าปรารถนาก็แปลว่าซึ่งอีกข้อคอเอาทำไมข้อคอขวายมีเป็นคอลัคังเลยนะเนาะอกาทิตกรรมะกรรมที่กิริยาไม่กล่าวไม่ตรงกิริยาแปลว่ากะแปลว่ากะ พระงอสัมปาปนิยกรรมะกรรมที่เข้าถึงแปลว่าซึ่งแปลว่าสู่ข้อจอนิพพั ต, ตนิยกรรมะกรรมที่เกิดขึ้นแปลว่าซึ่งข้อชอวิกติกรรมะหรือวิกรณียกรรมะกรรมที่ถูกทําให้เปลี่ยนแปลงไปแปลว่าให้เป็นข้อชอการลิตกรรมะ คำของการฤิต์ตะปจจัยแปลว่าอย่างข้อชอกระเชอร์สัมภานะระกัมมะ ร, รมที่ถูกยกย่องแปลว่าว่าเป็นเช่นเรียกบุคบคล น, นี้ว่าเป็นบัณฑิตอะไรอย่างนี้ต่อไปอย่างที่สองสองกิกริยาวิเศสนัฐธะอัดกิริยาวิเศษนะขยายกิริยาไม่ต้องแปล อ, ออกทุติยาวิพัเช่น สุกตังหรือไม่ก็ทุ ก, กรลังโหติเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําง่ายเป็นสิ่งที่ทํายากไม่ต้องแปลว่าซึ่งไม่ต้องแปลว่าสูอะไรทั้งนั้นไม่มีคําแปลต่อไปอธิสมฉัตรยัตถะธุติยาวิพัฒน์ใช้ในอจัจฉัตถีวิพัฒน์ธุติยาให้แปลเป็นฉถีแปลว่าแห่งเหมือนฉัตถีวิพัฒน์ข้อ 4, สี่สัตตมยัตถะอัดสัตตมีวิพัฒน์ แปลเหมือนสัตมีพัฒว่าในใกล้ที่บนเป็นต้น 5. อัอจัมตสังโยคัถอัดตลอดมสีสองตลอดข้อกการรัตจันตสังโยคะตลอดเวลาให้แปลธุริยวิพัฒน์ว่าตลอดหรือสิ้นเช่นตลอดวันสิ้นทั้งวันอะไรอย่างนี้ครอขออัฐานัจจตสังโยคะสังโยคะเอาคะหายไปไหนอะสังโยคะเป็นสังโยเฉย ใส่คะเติมลงไปหน่อยสังโยคะตลอดระยะทางก็แปลว่าตลอดแปลว่าสิ้นเหมือนเดิมหมดทุติยาวิพัฒเนี่ยในอัดใหญ่ๆ5้าอัดนี้เราก็จะว่าไปตามลำดับแล้วอย่างในข้อหนึ่งก็จะมีข้อย่อยจำนวนมากก็จะมีอุทาหนรวมรว ม, รวมกันอยู่เราก็ให้สังเกตดูว่ากรรมไหนเป็นประเภทไหนอัรรมเนี่ยอันไหนเป็นอันไหนก็ให้สังเกตดูที่อุทาหน ดข้อหของธุติยาวิพัฒน์ธุติยาวิพัฒน์ในอัดกรร ม, มะแปลเป็นภาษาไทยมีอุทาหรณ์ทั้งหมด23อุทาหรณ์ยีข้อข้อ1นทางระโกมักขังคัจฉติทางระโกเป็นประธานมักขัตติเป็นกิ่งริยามักคังเป็นกรรมเป็นประโยคธรรมดาธรรมดาทางระโกมักคังคัจฉติทางระโกแปลว่า เด็กชายมักขังมักคังมักขังหนทางมักขังหนทางฮะมักขังหนทางแปลว่าหนทางอือก็สู่หนทางที่ทัวย้ายพัคัดสติย่อมไปทางลระโกมักคังคัดสติเด็กชายคนหนึ่งกําลังเดินไปสู่หนทาง กำลังเดินไปสู่หนทางทางละโกเด็กชายคดจิตย่อมไปมักคังสู่หนทางเป็นกรรมอะไรเป็นสามป่าปุณิก ร, รมไ ม, ไม่มีปุณิยครับมีแถปปานีครับสามปาปณิยกรรมครับสัมปาปณิยกรรมนะอ้าวดูต่อไปข้อสองทางริกาพัดตังปจัจติทางกริกา เด็กหญิ ง, ญงพัดตังปัจจิตเด็กหญิงหงข้า ว, าวนะครับให้รู้ว่าพัตตาเนี่ยแปลว่าข้าวข้าวอะไรนะพัดตาในข้าวตอนไหนข้าวตอนที่ยังไม่ได้กำลังจะหุงเอาพัดตาในข้าวอยูงไง่ไหนข้าวยังไม่ไไงหงุส<อ>ุกแล้วพัดตานี่ยสุกแล้ว ข้าสุกก็หงทไมาอครับอ้าวเนี่ยอันอันนี้กรรมเนี่ย น, นะครับกรรมบางอย่างกล่าวเหตุกรรมบางอย่างกล่าวผลนะครับถ้ากล่าวเป็นเหตุก็หงเข้าสารถ้ากล่าวเป็นผลก็หงเข้าสุกครับแต่ก็แปลว่าหงข้าวนั่นแหละครับอืเอาเวลาเข้าแปลเนะี่ย สูโธโอทนังปจัจติพ่อครัวย่อมหุงซึ่งข้าวสุกเอ้าไปหุงทําไมข้าวสุก <Okay. S 1> ก็หุงให้มันสุกนะครับและกล่าวผลนะครับกรมที่เป็นผลข้อสามปุงริสาคามังอาคัตฉันติปุงริสาบุรุษทั้งหลา ย, ลลายอาคัตฉันติาคามั ง, งหมู่บ้า น, านถ้าคามัสสามนี่แปลว่าหมู่บ้านเป็นส่วนมาก หมายถึงบ้านหลายๆหลังมังรวมเป็นหมู่ถ้าบ้านหลังเดียวก็จะเป็นเคหังบ้างเป็นอะคางรังบ้างอาคางรังบ้างคะรังบ้างแปลว่าเรือนหลังเดียวถ้าหมู่บ้านก็คามังข้อสี่พุทโธทำมังเทเสติพระพุทธเจ้าแสดงธรรม พู้เจ้าทรงแสดงธรรมข้อหมนุษากำมังกงรนมนุษย์ทั้งหลา ย, ก, ย ก, ากำลังกระโนติย่อมกระทำกมังซึ่งการงานนะมนุษย์ทั้งหลายกำลังพากันทำงานข้อ 6. จักขุอิทฐานิถังรูปังอิขติจกัจกขุตาอิขติยอ่ยอมเห็นรูปังซึ่งรูป อิทานิถังอิทธะแปลว่าหน้าปรารถนาอนิถะอิถธะแปลว่าหน้าปรารถนาอานิถะไม่หน้าปรารถนาอิทานิถังก็แปลว่าทั้งหน้าปรารถนาและไม่หน้าปรารถนาจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ช่างตาจะต้องเห็นรูปแน่นอนล่ะเห็นแล้วบางรูปก็พอใจหน้าปรารถนา เห็นแล้วบางรูปไม่น่าพอใจไม่น่าปรารถนาต่อไปข้อเจโสตังอิฐานิถังสัตธังสุนาติโสตังหูโสตสัตธังอิฐานิถังข้อแปดคานังอิฐานิถังคันธังคายติคานัง จมูกคาญติย่อมสูดย่อมดมย่อมสูดคันทงังอิธานิถังเก้าชิวหาอิฐานิถังระสังรสะสติชิวหาลิ้นรสะสติย่อมริมยอมม่อมริม ลิมไม่ลิมครับลิมย่อมลิมระสังซึ่งรสอิทานิถังทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาข้อสิกายโย อ, อิทานิถังสัมผัสสังภูสติกายโยร่างกายไม่ทั้งหลายทั้งหลายไม่มีทั้งหลายไม่มีก า, กายโยร่างกาย ขูสติย่อมสัมผัสย่อมกระทบย่อมสัมผัสนะครับสัมผัสสังซึ่งซึ่งการสัมผัสอิธานิถังที่น่าปราถนาและไม่น่าปราถนาขอน้อสิมโนอิธานิถังอังกรัมมะนงังระมะติมโนใจระมะติย่อมยินดีอางกรัมมะนงังซึ่งอังลม อิธานิถังอันน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาให้สังเกตนะว่าตาคู่กับกิยาว่ายังไงนะนะตาคู่จักขู่คู่อิคติโสตังหูคู่กับสุนาติฟังคานังจมูกคู่กับคายติไปว่าสูดไปว่าดมชิวหาลิ้นคู่กับกระสติไปว่าลิ้มไปว่าลิ้ม กายโยร่างกายคู่กับภูสติแปลว่ากระทบแปลว่าสัมผัสมโนใจคู่กับระมติแปลว่ายินดีในในี้มีคําแปลอยู่แล้วนะมีคําแปลอยู่แล้วไปหาดูคําแปลสั์ควรรู้นี่แหละต่อไปข้อสิบสอเป็นคาถาจากโครงโลกะนีติโลกะนีติภาษาไทยอ่านว่าโลกะนิตเป็นคาถาบาทละห้าคำหิงระมติปัง หังกรรมติโปกถิงกรรมติปุขุกรรมติทงตังทหิงก็คือมหิงสามหิงสามหิงโสน่ะนะมหิงสะกรรมติย่อมชอบใจกรื่อมยินดีปังซึ่งโคนตมควายชอบโคนตม หังธรมติโปกหังก็หังสะหงษรมติย่อมชอบโปกซึ่งสะโบกขรณีหงชอบสะบัวควายชอบคนตมหงชอบสะบัวถีอิฐถีผู้หญิงธรรมติย่อมยินดีปุซึ่งชายซึ่งบุรุษหญิงชอบชายอย่าหญิงชอบบุรุษมันไม่ตรงกันครับ ถ้าบุรุษก็ต้องสตรีครับหญิงย่อมยินดีซึ่งชายหญิงชอบชายคุปพิษุกรรมติย่อมยินดีทั้งซึ่งธรรมพิกษุชอบธรรมครับควาบควายชอบคนตมหงชอบสบูวหญิงชอบชายพิกษุชอบธรรม <c oughs> นี่เป็นเป็นอะไรนะเป็นความจริงนะครับความจริงมีควายที่ไหนถ้าไม่มีคนตมอยู่ไม่ได้ครับควายครับชอบมีแอ่งมีน้ํามีอะไรนิดหน่อยมันลงไปคุกมันกิ้งเลยนะกลิ้งยกแข้งยกขาพิกไปพลิกมาให้ให้ขี้โคนขี้โคนเนี่ยเครือบมันทั้งตัวเลยนะทำไมถ้าจะถามว่าทําไมไม่ใช่มันชอบเย็นไม่ได้หมายความว่ามันชอบเย็นคือมันสวมเสื้อกรอกเพื่อป้องกันเหลือบลุงยายลินไหม นะป้องกันป้องกันเหลือป้องกันยุงดังนัขขงง้นท่านก็เลยบอกว่าควายชอบพี่โคนแต่วัวไม่ชอบนะควายชอบน้ําแต่วัวไม่ชอบน้ำวัวชอบแดดไม่ไม่ชอบอะครั บ, <อ>บเจอแดดก็หอบแฮรกแคกเหมือนกันอ๋อ มันใช่ไม่ใช่ชอบะครับถ้าถามว่าวัวชอบอะไรเหรอวัวชอบหญ้าครับถ้าวัวแก่ก็ชอบหญ้าอ่อนต่มาเนี่เป oh so ็นเด็กเลี้ยงควายธรรมดาทีนี้ของชอบสาบบกครณนีนะ ถ้าสะไหนน้ำขุ่นหงจะไม่ลงนะถ้าหงลงสะไหนแล้วต้องมองเห็นเงาตัวเองจึงจะลงรู้ไหมเพราะอะไรเขาถือว่าว่าสงหงในเป็นสัตว์ที่สะอาดมากเพราะมันชอบแต่งเนื้อแต่งตัวครับมันจะอาศัยผิวน้าเป็นกระจกสองเงา นั้นหงไปเนี่ยแทนที่มันถ้จาจะประเภทที่สัตว์ที่อยู่ในน้ําเนี่ยมันมักจะมันมักจะเอาหัวดําลงไปในน้ําเพื่องมหาหอยหาปลากินใช่ไหมแต่หงไม่ครับหงไม่หงเนี่จะแค่ส่องเงาตัวเองแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวเท่านั้นครับถ้าน้ำคุ้นๆแล้วไม่ลงครับหนีไปอีสองที่อื่นหง <c oughs> ชอบสะบูวะโบคารณีนี้หมายถึงสะนั้นจะมีเหลี่ยมหรือไม่เหลี่ยมก็ช่างแต่ให้มีกบัวเรียกว่าสะโบโกครณีหมด ที่มีบัวชื่อว่าสะโบกคอรนีส่วนหญิงชอบชายชายก็ชอบหญิงครับส่วนพระนี่ต้องชอบธรรมครับไม่ชอบผู้หญิงไม่ได้ครับเป็นภิกษุต้องชอบธรรมอันนี้เป็นโครงโลกานิตนะไปดูได้บอกคาถาไว้แล้วใครได้หนังสือไปแล้วก็ไปเปิดดูต่อไปข้อสิบสามโสกันตะกังมัถติ โสแปลว่าเขามัท ต, ติแปลว่าเหยียบนะมัท ต, ติเนี่ยแปลว่าเหยียบแปลว่าย่ํานะแปลว่ากระทืบด้วยนะครับมัท ต, ตินะครับแปลว่าเหยียบแม้แต่เหยียบใช้นวดนะครับไปหาหมอให้หมอเขาเหยียบเส้นให้ก็มัท ต, ติตัวนี้แหละเกันกันตะกังซึ่งหนามเหยียบหนามถ้าโกรธมากระทืบได้ เหยียบน้ําน้ํานี่ชอบหรือไม่ชอบครับไม่ชอบดังนั้นก็ถือว่าเป็นอนิจจิตกรรมครับสิ่งที่ไม่ชอบครับกรรมที่ไม่น่าปรารถนาครับต่อไปสิบสี่ทวารกระปาลโกวิสังคิรติทวารกระปาลโกทวากรก็แปลว่าประตูปาลโกแปลว่าผู้เฝ้าผู้รักษานายทวารบานยังไง ทวารปลาละโกผู้รักษาประตูคิลติย่อมกลืน ก, กินวิสั ง, ซ, งซึ่งยาพิษยาพิษน่าปรารถนาไหมไ ม, ไม่น่าปรารถนาก็ เ, าเป็นอนิจจิตกรรมต่อไปส5บห้ายัญญทัตตังกัมพลังยาเจเตพรามโนพรามโนพรามยาเจเตย่อมขอ กรมพลังซึ่งผ้ากําพลยัญญทัตตังกะนายนยัญญทัตกะนายน ย, นายัญญทัตกรรมอะไรที่แปลว่ากะลองย้อนขึ้นไปดูสินะแปลว่ากะมีไหมคาไหนที่แปลวะะ<ำ>่ากะเห็นยังข้อค อ, อลคังอะอากาศทิตกรรมมีคําแปลอยู่แล้วในศับยากนะมีอยู่แล้วนะ เปิดดนในสับยากนะต่อไปข้อ16บหพระขวารพิขูเอตตะทะวจอพระขวาพระผู้มีพระภาคอะอย่าไม่ต้องเจ้าบ่อยครับเอตตะทะวจอเป็นสนธิตัดเป็นเอตังบ ว, วกอโวจะนะครับเอตังอโวจอโวจได้กล่าวแล้วได้ตรัสแล้วนะครับ พระขวาพระผู้มีพระภาคอาโวจะได้ตรัสแล้วเอตังซึ่งคํานั้นภิกขูกะภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคํานั้นกับภิกษุทั้งหลายว่าอย่างนี้อย่างนี้มักจะมีครับในพระสูตรนะครับมีคํานี้แหละพระขาวาพิกผูเอตตทัวโบจะในธรรมจักเป็นต้นนะครับมีข้อ17อาหางนิเวศนังปวิสามิ อาหังข้าพเจ้าปวิสามิเข้าไปนิเวสนังสู่ที่อยู่สู่ที่อาศัยสูงเรือนสู่ห้องแดนนัน น, ะนิเวศไทยทับศัพท์เรียกว่านิเวศบ้านพักอาศัยเรียกว่านิเวศอันนี้เป็นเป็นสัมปาปนิยกรรมนะป สุชนโนปัณฑิเตปะยิกรุปปาสติสุชนโนคนดีคนดีหรือบัณฑิตนะครับปะยิกรุปปาสติย่อมเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งใกล้นะเข้าไปนั่งใกล้ปังริแปลว่าอยู่ข้างข้างรอบรอบใกล้ๆอุปปาแปลว่าเข้าไปอาสติแปลว่านั่งเข้าไปนั่งใกล้ๆปัณฑิเต ซึ่งบัณฑิตทั้งหลายเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตทั้งหลายคนดีมักไปนั่งใกล้บัณฑิตเพราะเป็นคนชอบคำของบัณฑิตอะไรป่ายะที่ไหนอะปังริปังริแล้วก็ลงยะอาคมปังริบวกอุปาสติไงลงยะอาคมแล้วก็กลับยะระเป็นระยะไงกลับ ระยะเป็นยะระปะริยุก็เลยกลายเป็นปะยิรุสลับตำแหน่งกันระหว่างระ ก, กับยะปะริอุปสัคอุปะอุปสัคอาส า, าธาติวัตมานาแปลว่าเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งข้างๆพูดง่ายๆเข้าไปนั่งข้างๆบัณฑิตข้อ 19. มาตาปุตตังวิชาญติม า, มาตามานดา วิชาญติย่อมคลอดปุตตังซึ่งบุตรปุตตังนี้เป็นบุตรเป็นกรรมที่เรียกว่านิพพัตนียกรรมกรรมที่ให้เกิดขึ้นต่อไปข้อ20กัดธมังคางรังกัโรติกัฏธมังคางรังตัดสนธิออกมาเป็นกัดถังสับหนึ่ง อังคางรังอีกศัพท์หนึ่งกัดถังแปลว่าด้ดนฟืนแปลว่าท่อนไม้ท่อนไม้ตายนะกัดถังเนะี่ยท่อนไม้ตายท่อนฟืนอังคางรังแปลว่าให้เป็นฐานกังโรติแปลว่ากระทําทําฟืนให้เป็นฐานก็คือเผาถานนั่นเองเคยเผาถ่านไหมทําไงเผาถาน ก็ตัดไม้สสดๆได้ครับไม้ต้นใหญ่ๆใช่ต้นแล้วแต่ครับก็เอามากองสูงกันสูงกันไว้คุณคุณลุ้มข้างล่างก่อนครับพอทั้คนครับเพื่อเป็นที่ระบายอากาศครับขุณข้างล่างทําไมระบายอากาศได้ก็ก็ต้องทําให้เป็นเป็นโพรงแล้วก็ทําเป็นรูให้มันระบายออกมาไม้แข็งไปก็ทำให้เป็นรูออกมาครับอืมแล้วไงแล้วก็เอาดินดิผดินถมไปเป็มิตรชิดเลยครับอืม เสร็จแล้วก็ค่อยเอาไม้ขนาดเท่าแขนนี่แทงลงไปให้มันเป็นรูแทงที่ไหนแทงที่รอบๆรอบๆอบไม้ครับรอบรกล่องกล่อืมแล้วไงแล้วก็จะจะเหลือที่ที่จุดไฟไว้แค่พอขึ้นบนครับถ้มันติดก่อนเพื่อเพื่อที่จะไม่ใช่ดินแล้วไงก็พอปันตีแล้วก็เอาดินไปไปปลอกให้มันวิชิตอืม แล้วมันเป็นฐานยังไงอ่ะก็มันก็มันจะสูงมันเองครับมันก็ทำนาทีมันเองคับอ๋อแล้วแต่แล้วแต่ใหญ่่เล็กถ้าเล็กมันก็วันสองวันถ้าใหญ่ก็สี่ห้าวันก็ไปดูก็แจ้งตำรวจมาจับได้คนตัดไม้ทำลายป่าเผาฐานขายอยู่เนี้ยที่มที่คืนเดี๋ยววันี่นาใช่ไหที่คืนที่ต่ บางทีก็บุกรูปป่าผมก็เคยทำครับตัดไม้ทำลายป่าสมัยเขาสัมปรานป่าเนี่ยผมตัดไม้ไปกับพี่ชายพี่ชายเขาตัวโตวนะตอนนั้นผมอายุแค่สิบสี่สิบห้าหามไม้ไม้เสาเข็มขที่เขาสัมปรธานป่าไม้เสาเข็มเ ส, ส้นผ่าศูนย์กลางปลายไม้ต้องหกนิ้วไม่น้อยกว่าหกนิ้ว พอตัดแล้วเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีเครื่องหมายเครื่องหมายเป็นตัวยูเนี่ยนะครับไปครอบเลยถ้าหลวมไม่เอาครับครอบนั่นแ่ะเขาทำเส้นผ่านูนยกลางต้องต้องไปตัดไม้ต้องมีไอ้ตัวเนี้ยไปด้วยเนบเอลไปพอตัดเสร็จปอกเปลือกออกแล้วก็ใส่ดูได้ก็แบกทีนี้แบกไม้ในป่ามันไม่ใช่เดินตามทางอย่างนี้เนี่ย mm hmm. บางทีข้ามลำห้วยบางทีปีนลงไป บางทีก็สไลด์ลงไปทานั่งบนขอนไม้แล้วก็วิ่งอดามข้าเขาครับหเมตรครับยาวหกเมตรไม้เส้นผ่าสูกลางหกนิวยาวหกเมตรครับสองคนพอโตอายุสิบเก้าแล้วคนเดียวครับแต่พอสิบสี่สิบห้าเนี่ยหามอยไม่น้อยครับไม่น้อยหัวสั่นติ๊กๆๆกต 6นิ้วใหญ่ใหญ่ไม่ใช่แค่นี้นะ6นิ้วอะ่ะเ mm hmm. ยิ้มกันนะ mm hmm. เนี่ยคืบหนึ่งในเส้นพาสซินกาปลายทางปลายนะจุดที่เล็กที่สุดเนี่ยหกนิ้วจุดที่ใหญ่ตรงเท่าไหร่ก็ช่างตัดสดตัดเสร็จแล้วก็ล่อนเปลือกครับกระเทาะเปลือกกระเทาะเปลือกเสร็จแล้วก็หามมาบางจุดไกลไกลทั้งสี่ห้ากิโลนะครับหามออกมากองไว้ที่ถนนแล้วตกเย็นรถเขาก็จะมารับเอาล้วก็นั่ง บนไม้รถสุงอ่ะนั่งันไม้เน่ะเข้ามาได้มากี่ิ้นกี่ต้นก็มาจ่ายตังค์ได้วันหนึ่งร้อยกว่าบาทครับโ <laughs> ทรที่ต้นหนึ่งยี่สิบสองบาทวันวันหนึ่งสองคนตัดได้บางีสิบ ก, กว่าต้นนะครับทั้งวันไม่มากหางบาทแต่ว่าหลายคนเนี่ยเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยนะครับไปตัดตัดตัดตกเย็นรถเขา้าไปขนเอาอ สัมภทานที่พวกสัมภทานป่าตัดป่าแล้วเขาก็จะปลูกชดเชยโดยกฎหมายไม่ผิดแต่ว่าันผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติใช่นะตมาตัดไม้ไม่ใช่ตัดไม้อะไรป่าทําถูกถูกฎหมายพอเขาได้รับสัมภทานเสร็จแล้วเขาจ้างเราไปคนงานไปตัดทำเพาะแค่สัมภทานถูกกฎหมายไม่เลื่อยสัมภทานเห็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในชีวิตผมเห็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางสี่วาครับ สีวส่วาผมสมัยผมอายุสิบแปดนะครับใหญ่จริงๆครับรถรถขนซุงเนี่ยครับเขาตัดแล้วเขาไม่เอาครับเอาไม่ได้รถอะไรก็ยกขึ้นมาใส่รถไม่ได้ครับขนาดตัดหรือเป็นท่อนท่อ น, อ น, อ น, อนยาวประมาณสี่เมตรเนี่ยนะครับเอามาไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้ในฝานั่นแหละตัดกว่าจะขาดได้นะทุกวันนี้ก็ยังทิ้งอยู่ตรงนั้นนะครับ ตัดเอาตอนตอนท่อนปลายที่มันยกขึ้นลดได้ยกไม่ไหวไม่เอาทิงไว้ตรงนั้นไม้ยางไม้ยางเสียดายถ้าถ้าเหลือไว้ตอนนี้นะครับโอ้ยเป็นแหล่งต้องเที่ยวคนแห่ไปดูา อ, อะไรนะคนมีอยู่ต้นนึงต้นอะไรนะที่ว่าตงสิมคนีสาคนโตกนะใ่จริงครับเส้นผ่าสูนยกลางสาม<า>วาผมาผมไปเห็นโอ้โหต้นไม้อะไรมาขนาดนี้ หลังจากนั้นหลังจากนั้นอีกสามวันครับผมไม่ได้ตัดนะมีมีมีลายอื่นที่เขารับตัดไม้ทูงใหญ่ไปตัดผมตัดไม้แต่ไม้แค่นี้นครับไม้เ ล, ล็กๆคืบเดียวไปอีกสามวันเห็นล้มอยู่แล้วครับล้มแล้วเขาก็เอารถเอารถไปลากรถเกรดรถเกรดถนนนะครับไปลากสามคันลากออกมาไว้ข้างถนนแล้ว ก, ก็มาตัดซอยซอยซอยแล้วมันยกขึ้นรถไม่ได้ครับเอาแมมาไม่ได้ทิ้งไว้ตรงนั้นใช่ใหญ่มาก ผมก็โอ๊ ย, ยามาทำไมยาวยาวขนาดไหนแล้วผมมันวัดไม่ได้นะวัดาเส้นผ่าสูนกลางเขาจุดเส้นผ่าศูนกลางก็สูงกว่าหัวผมแล้วท่วหัวเลยผมไปตัดไม้ไผ่มาตั้งเสียบดินตั้งขึ้นไปแล้วก็มามาว่าดูหูนี่เคยเห็นใช่เ ส, ส้นผ่าศูนย์กลางว่าหนึ่งก็ประมาณสองเมตรใช่ประมาณนั้นประมาณนะ้หกเมตรกว่าเจ็ดเมตรนะได้ สูงใช่สูงเป็นไม้ยา ง, ยางแต่ถ้าไม้ที่มันกินรัศมีกว้างกว่าไม้ยางต้นเนี้ยมีแต่มันไม่เป็นส่วนที่มันกลมคือมันเป็นไม้ชนพงมีปีกนะครับเขาเรียกเขาเรียกไม้ไม้ไ ม, ไม้สับพุงก็คือพอจากครึ่งต้นลงมาข้างล่างมันจะเป็นปีกยืน่นออกไปปีกปีกปีกรอบเลยอย่างนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางอุยาวเป็นยี่สิบสามสิเมตรนั้นก็มีแต่มันเป็นปีกยืดออกไป มัน <c oughs> <c oughs> อยู่ไม่ได้ครับฝนตกมาก็ไม่อยู่โดนหมดเลยบังลมได้อยู่ <c oughs> อย่างที่ว่าเผาถ่านที่ถามเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ทำอย่างนั้นแหล ะ, ะเผาถ่านอ่ะดูต่อไปต่อไปข้อ21สุวรรณังเกยุงรังกะตะกังวากันโรติ กังโรติย่อมกระทําสุวรรณังซึ่งทองคําเกยูงรังให้เป็นนกยูงวางหรือกะตะกังให้เป็นกำไรทำทองคําให้เป็นรูปนกยูงบ้างให้เป็นกำไรบ้างไม่ต้องขึ้นมาก็ได้ก็ถ้าจะขึ้นมาคือช่างทองอ่ะสุวรรณกางโรช่างทอง สุวรรณาคางโรช่างทองคังโรติย่อมกะระทําสุวรรณนางซึ่งทองเกยยุงรังให้เป็นรูปนกยุงกะตะกังวางหรือว่าให้เป็นรูปกําไรทําให้เป็นนกยุงก็ได้ทําให้เป็นกําไรก็ได้นกยุงทองกําไรทองเกยยุงรังกับกะตะกังเป็นทุติยาวิพัฒน์แปลว่าให้เป็นแปลว่าให้เป็นนี่เป็นกรรมอะไระะวิกติกรรมวิกติกรรมแปลว่าให้เป็น แปลว่าให้เป็นต่อไปอาจรย์ริโยสิทธสังทำมังโพเทติอาจังริโยอาจารย์สิทธสังยังสิทธโพเทติย่อมให้รู้ทำมังซึ่งทำอาจารย์ให้สิทธ์รู้ธทำอาจารย์สอนสิทธ์ให้รู้ทำนั่นเองยัง รมอะไรยังกังยังคอะไรการฤรธิกรรมรำของการิตปัจจัยต่อไปข้อ23เป็นคาถามาจากคุธตะนิกายธรรมบทพระไตรปิฎกเล่มที่ 25. ยะี่สะกาเยนะวาจายะมณสานติทุกตะตังสังวตังติหิฐาเนหิตะมหังพรูมิพระมณัง โคเทติเนตใจคาถานี้มาจากเรื่องพระนางประชาบดีโคตมีรู้จักพระชานางประชาบดีโคตมีไหมใครเรารู้จักว่าเป็นใครพระนานางแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงใครแม่เลี้ยงพระพุทธเจ้าเป็นน้องสาวของของของแม่พระพุทธเจ้า น้องสาวของพนางมายาสิริมหามายาพนางประชาบดีโคตมีเป็นผู้ได้บวชเป็นภิกษุณีคนแรกในพระพุทธศาสนาอ้อนวอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ยอมให้บวชเป็นภิกษุณีเพราะสมัยนั้นยังไม่มีภิกษุเป็นผู้หญิงขออย่างไรก็ไม่ให้บวชสุดท้ายพระอ น, นุ์เลต้องถามโดยอุบาย ว่าถ้าผู้หญิงบวชในศาสนานี้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าได้ถ้าอย่างนั้นพนางประชาบดีโคตมีควรจะได้บวชพระพุทธเจ้าปฏิเสธไม่ได้ก็จึงให้บวชเป็นภิกษุณีพอบวชเป็นภิกษุณีแล้วเนี่ยการบวชภิกษุณีก็คือรับคารุธรรมแประการนั่นเองระยะหลังๆมานี่มีออกวิทยุมีออกทีวีอยู่บ่อยๆคงจะพอรู้มคารุธรรมแ เช่นข้อหนึ่งก็บอกว่าพิสูจนีแม้จะบวชมาแล้วตั้งร้อยปีก็ต้องสักกา ร, ระนอบน้อมกราบไหว้พิสูจแม้บวชในวันนั้นพระบวชใหม่พิสูจนีบวชก่อนต้องทําความเคารพพระบวชใหม่เป็นต้นนะเป็นต้นดังนั้นถ้าถือได้ก็ยอมให้บวชคือป้องกันเอาไว้ถ้าถือไม่ได้ก็ถือไม่ไม่ให้บวชถือได้จึงจะให้บวชส่วนทุกวันนี้บวชพิกษจนีเป็นไงรับสีนโพธิสัตว์ เรื่องเรื่องไหว้ก็คือเรื่องไหว้ไม่เกี่ยวกับความเป็นพระอรหรันต์พระอรหันต์นั้นเป็นเรื่องคุณในจิตใจแต่เรื่องไหว้นี่เป็นเรื่องที่สังคมสงฆ์จะต้องปฏิบัติต่อกั น, น ม, ม, นมีสมัยไหนเหรออ๋อสมัยนี้ไม่มีไม่ได้สมัยนี้มีมไม่ได้ก็มีก็มีเขาทีมีมีกันอยู่เนี่ย ต้องบอกนะว่าภิกษุณีปัจจุบันนี้เป็นภิกษุณีมหายานบอกไปให้ชัดๆจะได้ไม่สงสัยว่าทําไมได้ทําไมไม่ได้ไม่ต้องเถียงกันเป็นภิกษุณีมหายานบอกท่นี้จบเพราะบวช ด, ด้วยวิธีรับศีลพระโพธิสัตว์คือมหายานนเองคาถานี้พระพุทธเจ้าตรัสตอนว่าพรพระนางประชาบดีโคตมีบวชเป็นภิกษุณีแล้วมีภิกษุณีบวชจํานวนมาก เพราะเป็นภิกษุณีรูปแรกจึงไม่ปรากฏว่าใครเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ภิกษุณีเพราะหลังจากนั้นศีลภิกษุณีมีอยู่ว่าภิกษุณีเนี่ยจะเป็นภิกษุณีได้ต้องบวชจากสงสองฝ่ายบวชจากภิกษุณีสงหนึ่งครั้งเป็นภิกษุณีแล้วยังไม่เป็นภิกษุณีเต็มร้อยเปอร์ซนต้องมาบวชในภิกษุสง์อีกครั้งหนึ่งจึงจะถือว่าเป็นภิกษุณีถ้าบวชภิกษุณีสง์อย่างเดียวเป็นสิกขานาไม่เป็นภิกษุณีหรือไม่เป็นสามเณรเองรี จะเป็นภิกษุณีได้ต้องบวชภิกษุณีสงฆครั้งหนึ่งแล้วก็มาบวชในภิกษุสงฆ์อีกครั้งหนึ่งพระนางประชาบดีโคเธมีสมัยบวชอะยังไม่มีภิกษุณีเอา้าแล้วเธอไปบวชภิกษุณีสงฆ์ที่ไหนอะ่ะเพราะยังไม่มีภิกษุณีนี่แล้วใครเป็นอุปชาบวชให้ล่ะใช่ไหมทุกคนภิกษุณีทั้งหลายหลังๆมันก็พากันโจรจานกันว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่าพระนางประชาโคเมีเนี่ยไม่เป็นภิกษุณีบ้าง ว่าพระนามประชาบดีโคตมีเนี่ยยังไม่บรรุอะไรบ้างว่าพระนามประชาบดีโคตมีไม่เป็นพิชซุณีแต่แต่ง ต, ตัวเรียนแบบพิชซุนีบางพิกษุนีทั้งหลายพิชซุนีทั้งหลายก็โจรจ้างกันเป็นประจําพอพูดถึงนางประชาบดีโคตมีอะไรเอ้ยไม่ใช่พิชซุนีเพราะสมัยนั้นยังไม่มีพิชซุนีแล้วใครบวชให้เธอดังนั้นบางคนก็บอกว่าเอา้า ถ้าพระนางประชาวดีคนบวชคนแรกไม่ใช่พิษุนีแล้วใครไปบวชกับนางประชาวดีโคตมีก็ไม่ได้นะสิไม่เป็นพิษุนีหมดเลยเลยสิทีเนี้ยอจะทำยังไงเมื่อเธอไม่เป็นพิษุณีแล้วบวชที่คนอื่นได้ยังไงงั้นคนที่บวชมาไม่ใช่พิษุนีทั้งหมดเลยก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อยุติดังนั้นพระพุทธเจ้าทราบเหตุนี้จึงประชุมสงฆ์พร้อมทั้งพิษุนีสงฆ์แล้วก็ตรัสคาถาเนี่ย ยืนยันว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ให้นางประชาบดีโคตมีบวชเองเราเป็นพระอุปชาเราเป็นผู้ประทานคุรุธรรมแปดแก่เธอเองอย่าไปถามถึงว่าอุปชาของเธอคือใครแม้บุคคลผู้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามเพราะตอนนั้นพระนามประชาบดีโคตมีเป็นพระอรหันต์แล้วบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์แล้ว ถือว่าเป็นคนที่มีกายมีวาจามีใจสงบแล้วการทําชั่วใดๆไม่มีอีกแล้วเราเรียกบุคคลผู้สํารวมกายวาจาดีแล้วนั่นแหละว่าเป็นพระอรหันต์คาถาเนี้ยยัสสกาเยนะวาจายะมณสานติทุกตตังสังวุตังติหิธะเนหิตะมหังพรูมิพรามะนังตะมะหังเป็นสนที่คือตังอะ ห, หังตังอะหังตมะหังเนะี่ย ทุกกะตังการทำชั่ ว, วกาเยนะทางกายวาจายะทางวาจามนาัสาทางใจนัตทย่อมไม่มียัศะแกบุคคลใดแกบุคคลใดอหังเราพรูมิย่อมเรียก ตังซึ่งบุคคล น, นั้นสังวุตังผู้สํารวมแล้ ว, ว, ลวตีหิฐานในหิด้วยฐานะทั้งหลายสามอย่างคือกายวาจาใจพรามมนังว่าเป็นพระอรหันต์คำว่าพรามมะนัตัวนี้ไม่ได้แปลว่าว่าเป็นพราหมนะว่าเป็นพระอรหันต์พรามมะนสัสนี้แปลว่าพระอรหันต์ก็ได้ครับอา้าวถ้าเอา อรหันมาใส่ก็ไม่เข้าอบาตรคานเพราะพรามมานะสับสมัยนั้นแปลว่าพระอรหันต์ก็ได้ครับว่าแล้วก็เปิดดูซะเลยพรามมานะสับแปลว่าอะไรได้บ้างนะพรามมานะสับส่วนที่ว่ามาก่อนคือพรามมัจเรียะไม่ใช่พรามมาะอันนี้เป็นพรามมณะทีนี้ยพรามกับพรามไม่เหมือนกันคนละตัวหนึ่งพรามมาหนึ่งพราม ไม่ได้อธิบายอะไรไว้มากนะบอกว่าพ ร, รมามมณศัพมเนยแปลว่าพราหมณ์ก็ได้แปลว่าพระอรหันต์ก็ได้บอกไว้ท่านเนี้ยแปลว่าพราหมณ์ก็แปลว่าพระอรหันต์อะละพอละครบหมดแล้วเอาเราว่าแปลไปทีละข้อไม่ต้องยกสแปรและแปลเอาความตอนเนี้ยตั้งแต่ข้อหนึ่ง ทางกระโกมักคังคดฉัติเด็กชายย่อมไปสู่หนทางทางกรีกาพัตังปัจจิตเด็กหญิงย่อมหงซึ่งข้าวสามปังริสาขามังอาคชฉันติบุรุษทั้งหลายย่อมมาสู่หมู่บ้านสีพุทธธ ร, รมังเทเสติ พระพุทธเจ้าทรงสแสดงซึ่งธรรมแปลโมหะง่ายๆนะเอาใหม่นะห้ามนุษสากรรมังกันโรนติมนุษย์ทั้งหลายพากันทำงานหกจกักรูอิธานิถังรูปังอิคติตาเห็นรูปที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาสโสตังอิธานิถังสัทังสุนาติ Oh, oh. ได้ยินเสียงที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาค oh. านางอิธานิถังคันทางคายติจมูกได้กลิ่นที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา oh. ชิวหาอิธานิถังรสังรสตติลิ้นลิ้มรสที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา กายโยอิธานิถังสัมปัสสังภูสติกายได้สัมผัสกับได้กระทบกับสัมผัสที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนามาโนอิธานิถังอางตัมมะนังรมติใจ ย, ย่อมยินดีอางกรมที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา หิงรมะติปังหังรมติโปกถิงรมติปูขุงร ม, ะ ต, งะมะติทางายชอบคนตมหงชอบสะโบครณนีหญิงชอบชายภิกษุชอบธรรมโสกันตะกังมะทะัทธติเขาเหยียบน้ำทวางรัปปละโกวิสังคิรติ พุ่งรักษาประตูกลื่นกินยาพิษยัญญะทัดตังกัมพลังยาจเตพรามโนพรามขอผ้ากำพมลกับนายนยัญญาทัดพระเาวาภิกขุเอตาทวโวจะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนั่นกับภิกษุทั้งหลายอาหางนิเวสนังปวิสามิ ข้าพเจ้าเข้าไปสู่นิเวศสุชนโนปันดิเตไปยิ่งรูปปาสติคนดีเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตทั้งหลายมาทาปุดตังวิชาญติมาดาคลอดบุตรกัะถามั่งคางรังกันโรติทำฟื้นให้เป็นฐาน สุวรรณังเกยุงรังกาตะกังวากังโรติทำทองให้เป็นนกยุงบ้างเป็นกำไรบ้างอาจารยรโยสิทธสังรร ม, มังโพเทติอาจารย์สอนสิทธิให้รู้รมยะสกาเยนะวาจายะมณส า, านติทุกตะตังสังวตังตีหิฐาเนหิ ตมหางปรูมิพรามณังการทำชั่วทางกายวาจาและใจไม่มีแก่บุคคลใดเราเรียกบุคคล น, นั้นผู้สำรวมด้วยด้วยผู้สำรวมด้วยฐานะทั้งสามนั้นว่าเป็นพระอังรหรันต์เอาเขียนคำแปลคาถาเขียนคำแปลคาถา การทำชั่วทางกายวาจาและใจไม่ม really ีแก่บุคคลใดการทำชั่วทางกายวาจาและใจไม่มีแก่บุคคลใดการทำชั่วทางกายวาจาและใจไม่มีแก่บุคคลใดเราเรียกบุคคลผู้สํารวม เราเรียกบุคคลผู้สํารวมด้วยฐานะทั้งสามนั้นเราเรียกบุคคลผู้สํารวมด้วยฐานะทั้งสามนั้นว่าเป็นพระ อ, องรหรัน <ME> ต <DI ES> ์เราเรียกบุคคลผู้สํารวมด้วยฐานะทั้งสามนั้นว่าเป็นพระอรหันต์กรุณาเปลี่ยนเป็นภาษาบาลีข้อกอ เด็กหญิงทั้งหลายย่อมไปสู่หนทางเด็กหญิงทั้งหลายย่อมไปสู่หนทางข้อขอเด็กชายทั้งหลายย่อมหงซึ่งข้าวขอ้ขอคอบุรุษย่อมมาสู่หมู่บ้าน ข, ข, ข้อคอระคังพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงสแสดงซึ่งพระธรรมขอ้องออาจารย์ย่อมสอนซึ่งศิลปะขอ้อจอศิษย์ทั้งหลายย่อมเรียนเอาซึ่งศิลปะวิทยาขอ้อฉ พวกเราย่อมกินซึ่งข้าวในเวลาเช้าข้อกอดูนะเด็กหญิงทั้งหลายบาลีว่ายังไงทางกริการหรือทางริก า, ฮ า, ฮกาโ ย, า ก, ายโกุมารีหรือกุมารกริกานะได้ทั้งนั้นนะกุมางรีก็ได้กุมารริกาก็ได้ทางริกาก็ได้ สู่หนทางสู่หนทางมักขังย่อมไปคัดฉันติเป็นผู้หูพจน์เด็กหญิงทั้งหลายเป็นผูหูพจน์กิริยาก็ต้องเป็นผู้หูพจน์ตามคัดฉันติคัดฉันติย่อมไปทางริกามักขังคัดฉันติ เขขอเด็กชายทั้งหลายย่อมหงซึ่งข้าวเด็กชายทั้งหลายทางรกากุมารกราก็ได้นะกุมารกราทางริกาไม่ได้ต้องเป็นทางรกาผู้ชายต้องเป็นทางรกาผู้หญิงก็เป็นทางริกาทางรักาเด็กชายทั้งหลายย่อมหงซึ่งข้าวเอาซึ่งข้าวว่าซึ่งข้าว ซึ่งข้าวซึ่งข้าวออโออะไรสักอย่างนึงโอทนานังไม่ต้องสงสัยเลยโอทนานังหงปัจจันติหรือปัจจันติตอ่าดูตัวประธานเป็นผู้หูคกิริยาก็ให้เป็นผู้หูคตปัจจันติะตนะปัจจันติ คอควายบุงรุษย่อมมาสู่หมู่บ้านบุรุกีค น, บ, คนาบาลีว่าปุงริงรโสย่อมมาสู่หมู่บ้านคามังคัตฉติคามังอา ต, อต้องมีอาด้วยอาคัตฉติปุงริโสคามังอาคัตฉติ พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงแสดงซึ่งพระธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธาซึ่งพระธรรมธรรมมังย่อมแสดงเทเสติหรือเทเสติพระหูพจน์เป็นเทเสติ พุทธาธรรมังเทเสนติต่อไปข้องออาจารย์ย่อมสอนซึ่งศิละปะอาจารย์อาจ ะ, ะนะนะอย่าเป็นอาจารย์นะอาจจะริโยซึ่งศิลปะสิปังสิบปังสิบปังนะอย่าเป็นศิลปปังนะสิบปังย่อมสอนอื้ ย่อมสอนอย่อมสอนอ่าย่อมสอนบริวไงย่อมสอนอยังไม่ไ <laughs> ย่อมสอนยังไม่ได้สอนว่าไม่ถูกสาสตินั่นแหละสาสติสอเสือสองตัวสาสติ ย่อมสอนสอนศิลปะอาจังริโยสิปังสาสติข้อจอสิทั้งหลายย่อมเรียนเอาซึ่งศิลปะวิทยาสิทั้งหลายศิษาซึ่งศิลปะสิปังมันเดิมศิลปะก็สิปังศิลปะวิทยาก็สิปังนั่นแหละ แต่ถ้าวิทยาด้วยก็สิบปะวิชาบาลีก็ไม่ใช้สิบปะก็สิบปะเพราะศิละปะวิทยาเนี่ยต่างจากวิชาวิชานี่หมายถึงชาญขึ้นไปจึงเรียกวิชาศิละปะใดต่ำกว่าชาญลงมาเรียกว่าสิบปะสูงตั้งแต่ชาญขึ้นไปเรียกว่าวิชานะส่วนภาษาไทยศิละปะวิทยาคือวิชาเลี้ยงชีพนะ สิปังนะใช้สิบปังสี่สาสิบปังย่อมเรียนเอาย่อมเรียนเอาบาลีก็คือย่อมถือเอานั่นเองคันหันติคันหันติถือเอาหรือไม่ก็อกนะอกอกคันหันติอกคันหันติเขาควายสองตัวอกคันหันติ น, นหนูนะเออใช่ น, นเนนนเนนหอหีบ คันหันติก็ได้อุคันหันติก็ได้ศิษยาศิปังอุคันหันติถ้าถือวัตถุสิ่งของตัวไปก็คันหันติถ้าถือเอาศิลปะวิทยาก็อุคันหันติต่อไปข้อสุดท้ายข้อฉอชิงพวกเราย่อมกินซึ่งข้าวในเวลาเช้า มะยังอะไรพวกเรามะยั ง, ยงต่อไปข้าวกินโอทันังแล้วกินพัดตังดีดงหรือโพชนังดีดงหรืออาหารรังดีกินข้าวถ้าพัดตังเนี่ยมีแต่ข้าว ล, วล้วนเลยนะไม่มีกับเลยนะ ถ้าโพชันนังมีทั้งข้าวทั้งกับหรืออาหารรังก็มีทั้งข้าวทั้งกับที่กินเมื่อเช้าได้กินแต่ข้าวใช่ไหมถ้ากินแต่ข้าวก็บอกพัดตังถ้าใครกินโอทนังแสดงว่าเอาปากสวมลงไปในหม้อข้าวกินเพราะบอกแล้วว่าโอทนังมันอยู่อย่ในหม้อถ้าคดออกมาแล้วเป็นพัดตังถ้าใครกินโอทนังนี่น่าดูเลย ถ้ามีกับด้วยก็เป็นโพชนังหรืออาหารรลงนงหนูนหนูโพชนาอาหารนั่นแหละถ้าคดออกมาเป็นพัดตังคำว่าโพชนังหมายถึงข้าวทั่วๆไปไม่เป็นคำใดคำหนึ่งโดยเฉพาะแต่ถ้ากินพัดตังก็คือตักมาแล้วถ้ากินโอทนังยังไม่ตักออกจากหม้อกินกินบาลีว่าไงกิน อาพุนชันติได้ไงอะมายังอะมายังพุนชามะอืมพุนชามะมายังต้องคู่กับม ะ, มะสูตรนี้อย่าหลงนะต้องให้แม่นเป๊ย้ยเลยนะสะดุดหกล้อมตีลังกาสามตลบลุกขึ้นมาว่าต่อได้น ะ, ะสติฮะพุนพุนถ้าลงท้ายด้วยชะตัวพุนมันต้องเป็นยะอย่างเดียวเปในอื่นไม่ได้ตามหลักสังโยคเลย พุนชามะพุนชามะยาวุธหญิงชอช้างพอสำเพาสละบุนี่ไงเนี่ยเนี่ยหน้าขวามือถ้ามีอยู่หน้ากิริยาพุณชันติเนี่ยก็มีอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนรูปเอาพุนชันพุณชาติพุณชันติพุนชาศิพุนชาถะพุนชามิพุนชามะฮะ ย่อมกินใช้ว่าพุนชามะนะแล้วก็ปาโตในเวลาเช้าป า, ปาโตนะไม่ใช่ปัดโตนะถ้าปัดโตก็กินบาทอีกนะปาโตต้องปาโตมะยั ง, ยงเรียงประโยคบาลีใหม่ว่าปาโตมะยังโพชนังพุนชามะ ปาตโตมยังโภชนังพุญชามะเรากินอาหารเช้ากินอาหารเช้าอ่าพุญชามะปาตโตมะยังโภชนังพุญชามะนี่ตัวแทนอนิบาตอ่ะนนก็หลักการแปลว่ายังไงหลักการแปรลในหลักการแปลหน้าสองอ่ะมีอยู่การรัศมี ตัวกาลสัตตมีเช่นอติเตอัฐะหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งบอกเป็นกาลสัตตมีในเวลาเช้าเนี่ยมันเป็นกาลสัตตมีในนั้นเป็นสัตตมีเวลานั้นเป็นกาลเช้าก็บ่งบอกถึงช่วงเวลาคําว่าในเวลาเช้าเป็นกาลสัตตมีนั้นประโยคภาษาบาลีเนี่ยท่านมักยังเรียงกาลสัตตมีเนี่ยไว้ต้นประโยคเสม อ, อเช่นเอกังสมยังในสมัยหนึ่งเปนะสมเยนะ หรือไม่ก็ตัสมิงสมเยหรือไม่เข้าปลาโตอตีเตอะรพวกนี้ท่านจะขึ้นต้นเป็นประโยคเป็นคำแรกของประโยคแต่นั้นในเวลาเช้านี่ก็เหมือนกันเป็นการลัสะเทืนีเราก็เลียงขึ้นก่อนเลยปาโตก่อนเลยถ้าเช้าตรูนะเช้ามืดนะต้องบอกว่าปาโตแล้วก็วะด้วยนะปาโตวะปลาโตวะแต่เช้ามืดแต่เช้าตรู แต่เช้าที่สุดของช่วงเช้านั่นแหละติดกันเลยปลาโตวะคือปลาโตเอวะนะเป็นสนทิถ้าปลาโตเฉยเฉยก็คือหมายถึงช่วงเช้าช่วงเวลาไหนก็ช่างไม่ไม่ปลาโตเฉยเฉยถ้าท่านใช้คาว่าเช้าตรู่แล้วถึงจะใช้ว่าปลาโตวะในที่นี้ก็ปลาโตเท่านั้นแหละปลาโตในเวลาเช้า